ท่านใช้วิธีสอนในรูปของวิธีการหรือในลักษณะของประเพณีแต่เราเนี่ยไม่เข้าใจถึงปรัชญาลึกซึงของโบราณว่าได้แทรกหลักธรรมอะไรไว้บ้างที่จะเป็นคติแก่คนที่ยังไม่ตายท่านทั้งหลายจะสังเกตดูได้เวลาเราไปรดน้ําศพจะเป็นศพใครก็ตามศพนั่นจะอยู่ในลักษณะที่หงายมือให้เราเหนี่ยหลังน้ํำลงไป อย่างน้อยก่อนที่เราจะหลั่งน้ําลดลงไปในฝ่ามือนั้นเราก็ควรจะคิดจะก่อนควรจะคิดว่าคนตายเนี่ยเขาได้แบ่มือให้เราดูว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วเขาเอาอะไรไปไม่ได้เลยในมือนี้มีแต่มือเปล่ า, ลาไม่มีอะไรติดไปเลยแต่ว่าเวลาเรามีชีวิตยอยู่เนี่ยเราต้องประกอบอุปสนมากมายหลายอย่างเพื่อแสวงหาสมบัติในโลกนี้ เข้าใจว่าสมบัติทั้งหมดในโลกเนี่ยเป็นของเราไม่ได้คิดเลยว่าเนี่ยมันเป็นสมบัติของโลกประจำโลกเรามาแต่เพียงตัวเปล่าและเราก็จะไปตัวเปล่าเอาอะไรไปไม่ได้คนตายจะแบมือให้เห็นว่าเนี่ยถึงแม้ฉันจะมีเงินสกี่ร้อยล้านก็าตามฉันก็ไปไม่ได้จะมีสมบัติมากมายแค่ไหนก็าตามไม่มีอะไรติดมือไปแม้แต่างแดงเดียวถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะบรรเทาความโลภลงได้สังมากมาย บันเทาความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทต่างๆที่เป็นเรื่องอกุศลทั้งหลายแหละที่กําลังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี่ได้มากวันที่เราเกิดมากันชาติหนึ่งและเราจะตายจากโลกนี้ไปชาติหนึ่งนั้นเราไม่ได้สมบัติอะไรไปจริงๆนอกจากจะได้บุญกุศลหรือบาป ท, ที่เราประกอบกันไว้ทั้งนั้นอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นของประจําโลกสมบัติทั้งหลายเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเรา ถ้าเราคิดได้ ว, ว่าสมบัติทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นของโลกเท่านั้นเราก็จะเป็นคนฉลาดใช้สมบัติจะเป็นผู้รู้จักใช้สมบัติว่าทำอย่างไรสมบัติของโลกจึงจะเป็นของเราเราต้องรู้จักวิธีใช้เหมือนกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่าสมบัติทั้งหลายที่เป็นของประจําโลกนี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักใช้แล้วเราก็จะเอาไปไม่ได้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 เหมือนกับได้รัตนะอันวิเศษมาเป็นสมบัติของตนเหมือนกับได้สิ่งที่ประเสริฐ ด, ดีกว่าทรัพสมบัติมากมายเพราะว่าสิ่งนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งของตนให้พ้นจากวัฏสงสารได้เห็นศพก็เหมือนกับเห็นสมบัติใครมาบอกก็มีซากศพตายที่โคนต้นไม้อยู่ทางโน้นทางนี้พระที่ท่านปล่ใจในการเจริญสุภาพธรรมท า, านนี่ท่านจะดีใจเหลือเกินว่าแม้เนี่ยมีบุรุษมาบอกล่าภให้แก่เราแล้ว เราจะต้องไปสแสวงหาลาภอันนั้นก็คือจะต้องเดินทางไปเจริญอสุภาษกรรมฐานนี่ให้ได้เพื่อที่จะเอามาเป็นอารมณ์แล้วก็ยกตนท่านให้พ้นจากวัตะสงสารทําลายกิเลสต่างๆนี่ให้สิ้นสุดลงเนี่ยพระสงฆ์ท่านเห็นว่าเป็นของประเสริฐแต่ว่าฆราวาสเห็นว่าเป็นของที่น่ากเกลียดน่ากลัวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะไปดูคนตายแล้วเราก็ไม่กล้าเพราะกลับมากลัวว่าผลับตาแล้วก็จะเห็นซากศพเหล่านั้นทุกวี่ทุกวัน ก็จะทำให้เราเนี่ยนอนไม่หลับเกิดความหวาดกลัวความจริงถ้าหากว่าเราได้เห็นภาพศพเหล่านี้เป็นอารมณ์อยู่เสมอแล้วเรารู้จักใช้รู้จักกำหนดก็จะเป็นประโยชน์ในการเจริญอรสุภาพกรรมฐานมากทีเดียวเออฉะนั้นเรื่องการเจริญอรสุภาพกรรมฐานนี้ในชนบทกับในกรุงเทพจึงต่างกันและถ้าหากว่าเราจะเจริญอสุภกรรมฐานกันจริงๆ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 เป็ในปัจจุบันนี้ก็นิยมทําเป็นเอคอนกรีตทําเป็นซองแล้วก็เอาศพเนี่ยใส่ก็ปิดที่มิดชิดกลิ่นก็ไม่ระเหยออกมาถ้าเป็นโกดังในสมัยก่อนแล้วกลิ่นก็รบกวนชาวบ้านเหมือนกันถ้าเราเข้าไปเพ่งอัสุภากรรมาฐานถ้าก็เป็นในโกดังแล้วก็ไม่สะดวกอีกเพราะว่าอากาศไม่ค่อยจะดีอบอ้าวอาตมาเคยไปเพ่งกับเขาครั่งหนึ่งเสร็จแล้วคอนเนี่ยเจ็บหมด เพราะว่ากลิ่นของธาตุศพไม่ไหวเจ็บคอผลสุดท้ายก็เลยต้องเลิกไม่ได้เรื่องเวราวอะไรเพราะว่าทนต่กลิ่นเหม็นของศพไม่ไหวเพราะว่าปฏิบัติไม่ถูกวิธีของท่านการจเจริญสุภาพนี่ท่านมีวิธีถ้าทำไม่ถูกวิธีแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีหน้ำตั้มจะเกิดโทษด้ด้วยเพราะผู้ที่ไปปฏิบัตินั้นไม่ไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ฉะนั้นขั้นเึงวางกฎเกณฑ์ไว้ว่ากลุรมบุตผู้ที่จะเจริญอสุภกรรมฐานจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อันเนี้ยอย่างเคร่งครัดเช่นตอนที่เราจะไปเจริญอสุภะกรรมฐานจะต้องศึกษาให้เข้าใจเสียก่อนว่าวิธีเจริญอสุภะกรรมฐานเนี่ยมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเพราะถ้าหากว่าเราไม่ทราบวิธีอันนี้ก็จะเกิดโทษแก่ผู้ที่ปฏิบัติ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 เหมาะอย่างยิ่งที่จะต้องเจริญกรรมฐานประเภทนี้เพราะว่าอารมณ์ของกรรมฐานนั้นเป็นปฏิบัติต่อจริตของตนถ้าหากว่าเจริญกรรมฐานประเภทนี้แล้วก็จะทําให้สําเร็จเร็วขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องบรรเทาราคะเป็นเครื่องบรรเทาโลภะต่างๆเนี่ยให้ลดน้อยถอยลงได้โดยอาศัยอารมณ์ของกรรมฐานประเภทนี้ฉะนั้นก่อนที่จะปฏิบัตินั้นจะต้องทราบถึงวิธีการเสียก่อน วิธีการนี้ท่านเริ่มตั้งแต่วิธีที่เราจะไปคำว่าวิธีที่เราจะไปเนหมายถึงว่าวิธีที่เราจะไปจะเริญอสุภกรรมฐานหรือวิธีที่เราจะไปเพื่อไปเพ่งอสุภกรรมฐานต้องมีวิธีการว่าจะไปกันยังไงก่อนจะไปเนี่ยต้องมีวิธีการก่อน <c oughs> เช่นถ้าสมมุติว่า มีใครคนหนึ่งมาแจ้งข่าวให้กับเราว่าเวลาเนี่ยมีซากศพตายอยู่ในที่แห่งหนึ่งหรือในป่าชาแห่งหนึ่งซากศพนั้นกำลังเน่าทอคงจะทิ้งไว้หลายวันแล้วผู้ที่จะเด้รัสุภากกรรมฐานต้องคอยนะต้องคอยว่าจะมีกรรมฐานอันนี้มาให้เมื่อไรเมื่อได้ทราบข่าวอย่างนี้ท่านสอนว่าอย่าเพิ่งดีใจ อย่าเพิ่งดีใจแล้วก็บูมบามรีบไปที่ซากศพนั้นทันทีไม่ได้จะต้องระหนักถึงวิธีไปเนี่ยให้ละเอียดทีท่วนเสียก่อนต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อนแล้วจึงจะเดินทางไปไม่ใช่พอมีคนมาแจ้งปรับก็จะไปทันทีไม่ใช่อย่างนั้นต้องพยายามระหนักถึงวิธีการไปว่าเราจะไปอย่างไรกันดี ท่านบอกว่าการที่จะจะเดินทางไปจเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยก่อนที่เราจะไปนั้นภิกษุจะต้องจะต้องแจ้งให้แก่พระเถระเนี่ยได้ทราบเสียก่อนวิธีที่จะไปที่ว่าจะต้องแจ้งให้พระเถระได้ทราบเสียก่อนนั้นนะเพื่ออะไรก็เพื่อที่ว่าพระเถระทั้งหลายเนี่ย ท่านจะได้รู้ต้องให้พระเถระท่านได้ทราบแล้วก็ท่านได้รู้ว่าเออละเราเนี่ยจะเดินทางไปจเจริญอุสุภาคกรรมฐานต้องประชุมพระสงฆ์ทั้งหมดที่อยู่ในวัดแล้วก็บอกว่าผมจะไปเจริญอุสุภาคกรรมฐานที่ตรงนั้นตรงนี้นะให้พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยเข้าใจเะก่อนแล้วจึงออกเดินทางที่จะบอกว่าทำไมจึงต้องแจ้ง ก็เพราะว่าเวลาเราไปสู่ทซาบศพนี้ทซาบศพเนี่ยไม่ใช่อยู่อย่างโดดเดี่ยวศพที่อยู่ในป่าช้าอาจจะเป็นศพที่มีปีศาจสิงอยู่อาจจะเป็นทซาบศพที่มีสัตว์ร้ายมาคอยเฝ้าที่จะกินเป็นอาหารอยู่ถ้าหากว่าเราบุ่มบ่ามไปก็อาจจะเกิดอันตรายได้แล้วก็หรือทิศสู่รูปใดที่ไปโดยที่มีจิตใจไม่เข้มแข็ง อาจจะต้องเกิดไตร้อเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นในขณะที่ไปเพ่งกรรมฐานอันนั้นก็ได้เพราะถ้าหากว่าจิตใจไม่เข้มแข็งจริงๆไม่ได้สุ้มรวมบินรีย์ทั้งหอย่างมั่นคงจริงๆเดี๋ยวมีอะไรกรอบแปลกขึ้นหรือมีปีศาจมันหลอกหลอนขึ้นมาก็จะเกิดขวัญเสียผลสุดท้ายไปจะต้องจับไข้หัวโกรนท่านก็บอกว่าจะได้พยาบาลกรรมฐ น, นให้พระเ น, นรคุท่านจะได้รู้สมุดฐาน่าอ๋อนเนี่ยท่านเจ็บป่วยท่านไม่สบายเพราะอุภาพกรรมฐาน อาจจะเป็นโรเกิดมาจา ก, กจิตแล้วก็รักษาได้ทันช่วงทีเนี่ยต้องบอกให้ทราบไวยก่อนหรือมิฉะนั้นเวลาท่านไปแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายได้หลายอย่างถ้าหากว่าพระเถระไม่รับรู้ท่านบอกว่าธรรมดาป่าช้าเนี่ยเป็นที่อาศัยเป็นที่ซ่อนเล้นของพวกมิจฉาชีพโจรก็ดีพวกรักเล็กขโมยน้อยก็ดีเมื่อรักของได้ปล้นมาได้มันก็จะไปซ่อนไว้ในปา่าช้า อาจจะมีของอะไรไปซ่อนอยู่ใกล้ๆกับชากศพคนตายเสร็จแล้วพระสงฆ์ไปยืนเพ่งอสุภาษกรรมาฐานอยู่เจ้าที่เกิดตามมาพบเข้าพบของกลางอยู่ใกล้กับพระสงฆ์เช่นนี้พระสงฆ์ก็จะต้องได้รับเคราะกรรมจะถูกกล่าวหาว่าเนี่ยคงจะเป็นโจรผู้ร้ายปลอมเป็นพระไปตล้นอารมเอาของต่างๆมาซ่อนไว้ในป่าชาผลสุดท้ายพระก็จะต้องถูกลงโทษตามระบินเมืองซึ่ง อาจจะเป็นเหตุทําให้พระสงฆ์องค์นั้นต้องเดือดร้อนไปถ้าหากว่ามีพระเถระรับสะสะทราบพระเถระก็จะได้ช่วยชี้แจงให้เจ้าที่ได้เข้าใจว่าพระองค์เนี่ยลาอาตมาไปเจริญกรรมฐานเมื่อสักครู่นี้เองหรือไปเมื่อวันนั้นวันนี้ก็จะเป็นพยานให้ได้ถ้าไปโดยไม่บอกใครแล้วเนี่ยใครๆก็ไม่รู้ผลสุดท้ายพวกกันเองก็จะสงสัยว่าแน่นอนองค์เนี่ยคงจะต้องไปปล้นหรือไปเอาวัตถุร้ายต่างๆของ คนใดคนหนึ่งมาซ่อนไว้นในป่าช้านแน่และผลสุดท้ายก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายเนี่ยเป็นอันตรายมากเหมือนอย่างในปัจจุบันเนี้ยถ้าจะแกล้งพระสงฆ์นี่แกล้งไม่ยากจะแกล้งว่าวัดนั้นเป็นคอมมิวนิสต์องค์นั้นเป็นหัวหน้าคอมมิวนิสต์ใหญ่ก็เอาอาวุธร้ายเอาเอกสารไปยัดเยียดไปนปนกุฏิตำรวจไปค้นพบเดี๋ยวก็โดนแล้วแกล้งกันง่ายเหลือเกิน แต่ถ้าหากว่าพระรูปนั้นได้ชี้แจงให้พระผู้ใหญ่ได้เข้าใจเสียก่อนว่าเราจะทำอะไรทำแล้วมีประโยชน์อย่างไรก็จะได้ช่วยกันแก้ไขได้เนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เนี่ยท่านรอบคอบท่านเกรงภัยจะเกิดขึ้นแก่สาวกของท่านเหมือนกันท่านจึงต้องตรัสสอนไม่โดยละเอียดเพราะว่าเรื่องภัยเหล่านี้นะ่ะมีมนมานานแล้ว ตั้งสองพันกว่าปีมีโดยละเอียดถ้าหากว่าเราได้ศึกษาดูพุทธเจริยาวัรต่างๆเราจะพบว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ได้ประสบกับสิ่งทั้งหลายลาเหล่านี้มาก่อนและก็ได้ฝ่าฟันต่ออุปสรรคเหล่านี้ผ่านพ้นมาได้หลายๆครั้งด้วยกันก็ในสมัยที่พระพุทธองค์ได้ประกาศพระพุทธศาสนาอยู่ ไม่ใช่ว่าจะมีแต่พ ร, รษษะพุทธศาสนาทีนศาสนาเดียวเท่านั้นที่เผยแพร่อยู่ในชมพูสวีปศาสนาที่มีอิทธิพลอย่างมากมายก็มีอยู่เช่นอย่างาศาสนาพราหม์รวมทั้งเจ้ารัธิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มากมายหลายรัธิเกิดขึ้นในสมัยนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นท่ามกลางรัธิเหล่านี้แล้วเราจะคิดว่าพระพุทธองค์เนี่ยท่านจับประกาศพระพุทธศาสนาได้อย่างราบรื่น ไม่ราบรื่นเลยแม้การจะประดิษฐานพุทธศาสนาขึ้นในแคว้นมรคตประดิทรงพิจารณาอย่างรอบครอบว่าพุทธศาสนาที่ตั้งขึ้นในแคว้นมรคตเนี่ยจะสําเร็จหรือไม่ทําไมจึงมาเลือกตั้งในแคว้นมรคตในฐานะที่พระองค์เองก็เคยเป็นกษัตริย์น่าจะไปตั้งในกบิลพัฒน์ก่อนแต่มาตั้งในแคว้นมคตก่อนที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัย และความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเพราะแคว้นมกคตนั้นมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นราชาแห่งแคว้นมคตพระเจ้าพิมพิสารนั้นได้ทูลขอร้องต่อพระพุทธองค์ก่อนแล้วว่าถ้าหากว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ก็สัมมาสัมโพธิญาณเมื่อใดขอพระองค์ได้โปรดสเสด็จมาโปรดพระองค์ด้วยเดชทรงรับคำทูลเชิญของพระเจ้าพิมพิสารมาก่อน เห็นว่าพระเจ้าพินพิสานเป็นราชาแห่งแคว้นมักคตเพราะในสมัยนั้นเป็นสมัยราชาธิปไตยพระราชาสามารถที่จะบันดาลสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นได้จึงได้เลือกมาปฏิษถานในแคว้นมักคตแม้จะมีเจ้ารตรฐิมากมายที่จะริษยาพระพุทธองค์สักเพียงใดก็ตามแต่ในเมื่อฝ่ายบ้านเมืองไม่ไปเป็นด้ามให้นักบวชเพื่อมาห้ามหันฟันซึ่งกันและกันแล้วนักบวช ก็จะมีแต่สงครามคารมเท่านั้นหรือสงครามที่เกิดขึ้นก็เป็นสงครามทางจิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่อย่างมากกว่ากล่าวร้ายนินทาซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่ถึงกับจะต้องประหัตประหารให้เกิดความวิบัติขึ้นในฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งในเมื่อฝ่ายบ้านเมืองไม่เป็นมือให้แล้วพระเองก็ไม่มีฤทธิ์เดชอะไรที่จะทําร้ายซึ่งกันและกันเหมือนในปัจจุบันเนี่ยพระเลาะกันนะ่ะไม่เท่าไรหรอก ขออย่างเดียวว่าชาวบ้านอย่าไปถือหางพระไปแล้วกันหรือชาวบ้านอย่าไปเป็นด้ามให้พระท่านว่าเอาะคุณไปจัดการกับพระองค์นี้ได้จะจัดการแบบใดแบบหนึ่งเอาคุณเอาเลยชาวบ้านเขาทำได้เพราะพระจะมีอะไรไปสู้กับชาวบ้านมีแต่มือเปล่าและยิ่งทะเลาะกับพระด้วยแล้วยิ่งง่าใหญ่เพราะพระท่านไม่สู้นี่ท่านเฉยจะดา่าท่านท่านเกิดเฉยจะกล่าวร้ายท่านเกิดเฉยท่านมีอะไรไปสู้ ไม่มีอาวุธสู้ชาวบ้านคมเหงได้ทำได้อย่างสบายแต่พระนั้นถ้าไปทะเลาะพระก็เสียฉะนั้นชาวบ้านนะ่ะบางคนจึงชอบทะเลาะกับพร ะ, พระบางทีทะเลาะเป็นอาชีพเลยก็มีด่าพระเป็นอาชีพก็มีเนี่ยประเภทนี้เพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเราจะสังเกตได้ว่าแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ไม่ใช่วัจราพรืนร้ายถึงขนาดว่า นางสุนทรีซึ่งเป็นหญิงแพทย์สยาเดเรียถีใช้ให้ไปวัดเชตาวันบ่อยๆและพยายามออกจากวัดเชตาวันตอนเย็นเย็นตอนเช้าเย็นเข้าวัดเช้าออกจากวัดให้เสดสแงงทำเสมือนหนึ่งวันนางเนี่ยไปนอนค้างในวัดเสร็จแล้วไม่กี่วันนางสุนทรีถูกฆ่าเอาศพไปหมกไว้ในวัด เดลถีก็ประโคมข่าวว่าเนี่ยสมณะโคโดมต้องบรทุกสไลต์ต่อนางสุมททีรีอาจจะฆ่าเธอเพื่อปิดปากอาจจะฆ่าเธอเพื่อปิดเรื่องราวอันไม่ดีไม่งามต่างๆก็เป็นได้อย่างนี้ก็มีหรือมิฉะนั้นก็ถึงกับไปยืนหน้าธรรมศาศเลยกำลังเทศอยู่ไปชี้หน้าเลยเนี่ยเนี่ยเนี่นนทำหนูทองแล้วก็ไม่รับผิดชอบอย่างนี้เป็นยังไงบ้าง อุบาสกอุบาสิกาก็ใจชัจดเจรวนเรยเป็มทีแล้วเอพระพุทธเจ้านี่ยังไงกันอย่างนี้ก็มีหรือมิฉะนั้นก็รอบตรงพระชนทําอย่างนี้ไม่ได้ฆ่าทิ้งก็มีแต่ก็ฆ่าไม่สำเร็จเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอุปสรรคของพระพุทธศาสนามาแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์เพราะว่ารัฐที่มากมายที่เป็นปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนา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 เราอยู่ในฐานะที่ต้องยอมรับอยู่ในฐานะที่ต้องยอมรับยอมถูกโจมตีเหมือนกับช้างที่เข้าสงครามเนี่ยจะเลี่ยงจากลูกศรที่ยิงมาท่กทิศเลี่ยงไม่ได้หน้าที่ของช้างมีอย่างเดียวเท่านั้นคืออดทนเอาหน่อยแม้ลูกศร น, นั้นจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ต้องอดทนเอางานศาสนาในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันงานบางอย่างเนี่ยเราอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ อาจจะถูกโจมตีอาจจะถูกทำลายหรืออาจจะถูกพูดก่อกวนให้เกิดความท้อแท้ใจแต่เราก็ต้องอดทนเอาเหมือนช้างที่เข้าสู่สงครามต้องทนต่อรุกศร น, นี่อันตรายบางอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าจําเป็นและเกินว่าเราจะต้องพบกับอันตรายชิ้นนี้มีอยู่อย่างเดียวฉนั้นว่าต้องฝ่าฟันดังที่พระพุทธองค์เคยฝ่าฟันมาก่อน พรเราได้เรียนประวัติศาสตร์มาแล้วเราย่อมรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นมาจากไหนเราจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะฝ่าฟันต่ออุปสรรคเหล่านั้นได้เนี่ยอดีตเป็นครูสอนเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็อุปสรรคของพุทธศาสนาเนี่ยมากมายเหลือเกินสมัยพระพุทธองค์ประกาศพระพุทธศาสนาน่ะร้ายยิ่งกว่าในสมัยนี้อีกสมัยนี้อันตรายบางอย่างยังเปิดเผยกันได้เห็น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 แม้จะไปทำสมาธิควรจะทำยังไงมีวิธีการอย่างไรที่จะก่อนจะไปเท่งสมาธิให้เกิดประโยชน์เนี่ยท่านชี้หมดว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรก่อนควรจะไปยังไงควรจะไปยืนที่ตรงไหนและจะไปเท่งกันยังไงจึงจะได้ประโยชน์ท่านสอนไว้โดยละเอียดเนี่ยเพราะเหตุว่าอุปรสรรคทั้งหลายเหล่านี้แหละที่เกิดขึ้นอันตรายที่เกิดขึ้นนี้เองจึงเป็นเหตุทาให้ได้รับ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 ซึ่งเราจะต้องศึกษาคันโดยละเอียดว่าพุทธวิธีแต่ละครั้งแต่ละอย่างนั้นได้ทรงมีพุทธวิธีอย่างไรจึงได้ฝ่าวามอุปสรรคเหล่านี้ผ่านพ้นมาได้ซึ่งเราก็ต้องศึกษาคันโดละเอียดฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้เป็นผลเนื่องมาจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวฉะนั้นจึงได้มุ่งสอนสาวกว่าแม้แต่เธอจะไปปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเป็นความดีแท้แท้ แต่เธอก็ต้องรู้จักว่าอันตรายแห่งความดีนั้นมันก็มีเหมือนกันเช่นอย่างการที่แจ้งให้พระเระถระทราบเจ้าก่อนว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเนี้ยเป็นการปรับความเข้าใจกันเจ้าก่อนเพื่อพระเถระผู้มีศีลมีธรรมหรือผู้เป็นบัณฑิตนะ่ะท่านจะได้ช่วยคุ้มครองเราเพราะพระเถระในสมัยนั้นถ้าเป็นบัณฑิตแล้วเมื่อพระท่านไปเจริญอุภากรรมฐาน ใครจะมากล่าวหาว่าท่านเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเป็นโจรผู้ร้ายเนี่ยก็กล่าวหาไม่ขึ้นเพราะว่าท่านได้บอกพระเถระผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ได้ปฏิปฏิบัติตามที่ท่านได้ให้ปฏิ ญ, ญาต่อพระเถระแล้วถึงใครจะมากล่าวร้ายท่านเป็นอย่างอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้พระเถระท่านก็ช่วยคุ้มครองให้นี่หมายถึงพระเถระที่ท่านมีคุณธรรมสูงท่านก็ช่วยคุ้มครองต่อพระสงฆ์ผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม เนี่ยอานิสงส์ของการที่บอกกล่าวกันก่อนประชุมสงฆ์ทีก่อนนั้นจึงมีอานิสงส์มากทีนี้เมื่อเราได้เราได้บอกพระสงฆ์หรือเรียนให้พระเถระผู้ใหญ่ท่านได้ทราบแล้วว่าเราเนี่ยจะไปเจริญอสุภาษกรรมาฐานแล้วปัญหาว่าวิธีไปเนี่ยเราจะไปกันอย่างไร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 ต้องดูเส้นทางที่จะไปด้วยคือพอกาหนดเสร็จแล้วว่าเราจะไปทางไหนดีเราก็ให้ไปทางนั้นไปตามที่เราได้กาหนดไว้ว่าเราจะไปประตูนี้แหละพอไปแล้วต้องกาหนดเส้นทางอีกว่าเส้นทางที่ไปเนี่ยมีกี่เลี้ยวกว่าจะถึงซากศพเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาต้องจําทางให้แม่น เราอกต้องจำให้แม่นเลยว่าเส้นทางที่เราไปเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแล้วก็มีกี่เลี้ยวจึงจะถึงซากศพพอไปถึงแล้วเราควรจะยืนที่ตรงไหนควรจะดูทิศทางลมว่าเราควรจะไปทางไหนดีท่านบอกว่าการเดินทางไปสู่ซากศพนี้จะต้องไปเหนือลมตลอดเวลาอย่าเดินใต้ลมเหนือลมเนี่ยหมายถึงว่าอย่าไปอยู่ใต้ลมที่ศก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 อาผ้าอุดจมูกซะก่อนแล้วก็จึงจะเดินไปพอไปถึงก็ต้องดูว่าเราจะยืนที่ตรงไหนต้องยืนเหนือลมอีกไม่ใช่ไปยืนใต้ลมยืนเหนือลมเด็กกิ่นก็ไม่รบกวนแล้วก็ต้องดูว่าศพนอนเราจะยืนด้านศรีรษะหรือด้านปลายเท้าศพแน่นอนทีรษะไปทางไหนถ้าเราไปยืนเพ่งตรงศรีรษะเกินไปอารมณ์กรรมาฐานก็ไม่ชัดเจน ต้องขยับสักนิดหนึ่งให้อยู่ระหว่างกลางกลางทราบศพเราจึงจะได้พิจารณาทราบศพเนี่ยได้ชัดเจนตั้งแีษะปลายเทา้าต้องรู้ด้วยถึงวิสภาคหรือวิสภาคารมณ์เพราะว่าศพที่เราจะไปเนี่ยเราต้องศึกษาดูก่อนว่าศพนั้นเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายถ้าศพนั้นเป็นผู้หญิง เพิ่งตายใหม่ๆก็เป็นวิสาคารมแก่ภิกษุที่จะไปเพ่งกรรมาฐานถ้าหากว่าศพนั้นเป็นผู้ชายก็เป็นวิสาคารมแก่ผู้หญิงที่จะไปเจริญกรรมาฐานเพราะว่าเรื่องของเพศนั้นเป็นวิสาคารมซึ่งกันและกันระหว่างหญิงกับชายท่านบอกว่าไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสัมผัสอะไร ที่จะมีอิทธิพลครอบครอบนมจิตใจของชายได้เหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสของหญิงและก็ไม่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสอันใดที่จะครอบมนมจิตของปตรีได้เหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสของชายเพราะฉะนั้นหญิงกับชายจึงเป็นวิสภาคารมณ์ซึ่งกันและกันอารมณ์อ น, นั้นจึงเป็นวิสภาะต่อกัน ฉะนั้นถ้าหากว่าทราบศพนั้นเกิดเป็นศพผู้หญิงเพิ่งตายใหม่ๆจะทํำยังไงต้องสำรวมจิตอย่างมั่นคงทีเดียวว่าเราจะต้องไปเจริญกรรมฐานมุ่งที่จะไปเจริญสุภากรรมฐานเพียงอย่างเดียวเพราะท่านตราวว่า